จริยาปิดอกต่อจากครั้งที่แล้วขึ้นเอกราชจริยาคือวัดของพระเจ้าเอกราชเป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระราชาชื่อว่าพระเจ้าเอกราชประองตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระราชาปรากฏพระนามว่าเอกราช ในกาละนั้นเราอธิษฐานศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งปกครองแผ่นดินใหญ่ก็คือเป็นพระราชาที่ปกครองแผ่นดินด้วยศีลสมทานกุศ ล, ลกรรมบท10ประการประพฤติกุศลทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือสงเคราะห์มหาชนด้วยสังฆะวัตถุสประการเราเป็นผู้ไม่ประมาทในประโยชน์โลกนี้ไม่ประมาทในประโยชน์โลกหน้าด้วยอาการอย่างนี้ ครั้งหนึ่งพระเจ้าโกศลพระนามวา่าทัพเสนะยกกองทัพมาชิงเอาพระนครของเราทรงทำข้าราชการชาวนิคมพร้อมด้วยทหารชาวชนบทให้อยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ทั้งหมดแล้วตรัสสั่งให้ฝังเราในหลุมเราเห็นพระเจ้าทัพเสนะกับหมู่อมาตชิงเอาราชสมบัติอันมั่งคั่งภายในพระนครของเราการเหตุ น, นั้นเหมือนเห็นบุตรสุดที่รักเช่นั้น พูดเสมอด้วยเมตตาของเราไม่มีนี้เป็นเมตตาบารมีของเรามีเมตตาถึงขนาดเห็นคนที่มาฆ่าเหมือนลูกเดินขึ้นมาอย่างนั้นนะนีมีเมตตาพระราชาที่เป็นข้าศึกมาเชิงเอาแผ่นดินเนี่ยเหมือนลูกตัวเองกําลังเดินมาเลยนะมีจิตคิดเออลูกเรามาแล้วเา้าไปเลยลูกอ่างนั้นนะเนี่ยอัตถาที่บายว่าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติเป็นโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี ครั้นเจริญวัยถึงสำเร็จศิละปะทุกขแขนงครั้นพระบิดาสวรรคตพระองค์ก็ครองราชสมบัติมีพระนามว่าเอกราชเพราะพระองค์นั้นบาเพ็ญบารมีประกอบด้วยคุณวิเศษเป็นคุณธรรมที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นคือพระองค์นั้นมีศีลมีอาจาระมีศรัทธามีสุตะและก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการสั่งสมกุศลอย่างอื่นอีกเป็นต้น ด้วยความเป็นหัวหน้าไม่มีใครเป็นที่สองในพื้นชมพูทวีตนะคือถือว่าเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่จริงๆเยยิ่งใหญ่ทั้งโดยอาณาประชาราษฎร์ทั้งโดยคุณธรรมบทว่าประมังศีลังอธิฐานยะคืออธิฐานศีลอันได้แก่กุศลกรรมบท10อันบริสุทธ์สูงสุดกล่าวคือการสำรวมทางกายสำรวมทางวาจา ให้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้วก็ประพฤติชอบทางใจด้วยบริสุทธิ์ดีการประพฤติกุศลกรรมบท10ประการนั้นโดยการสมาทานและโดยการไม่ก้าวล่วงคําว่าโดยการสมาทานก็คือประพฤติถือเอากุศลธรรมเหล่านี้ให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยส่วนเดียวกับเมื่อสมาทานประพฤติเช่นนี้แล้วก็ไม่ยอมล่วงละเมิดไม่ยอมก้าวล่วงไม่ยอมแตกทําลาย เรีย ว, ว่าเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลแบบสมาทานศีลกุศลกรรมบดเนี่ยมีการสมาทานอย่างดีอย่างมั่นคงไม่กำเริบไม่เสียหายขณะเดียวกันนั้นก็ไม่เคยก้าวล่วงความเสียหายเหล่านี้เลยบทว่าท้าสกุศลกรร ม, มประเฐคือสมาทานกุศลกรรมบดสิประการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการม เว้นจากการพูดเท็จคำหยาบเว้นจากคําพูดส่อเสียดเว้นจากเพ้อเจอ้อเว้นจากนะความโลภเว้นจากความโกรธแล้วก็ดํารงอยู่ในสัมมาทิฏฐิประพฤติกุศลธรรมเหล่านั้นอย่างไม่มีส่วนเหลือขณะเดียวกันก็ยังมีวัดปฏิบัติอันอื่นอีกคือจตุหิสังคหาวัตถุนี้ในการนั้นเราปรากฏชื่อว่าอิกราตเพราะสงเคราะห์มหาชนด้วยธรรม เป็นการส่งเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุสี่คือทานเนี่ยนะมีการให้ปิยวาจากล่าวแต่ถ้อยคำอันอ น, นะถ้อยคำมันเป็นที่รักอัตเจริยาการกระทำทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนแล้วก็เป็นพระราชาที่วางตัวได้อย่างดีเสมอต้นเสมอปลาย เอวังคือเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้ยังศีลคือกุศลกรรมบท4ประการให้เต็มบริบูรณ์ขณะเดียวกันก็ยังมีการสงเคราะห์มาหาชนด้วยสังฆวัตถุสี่อิทะโลเกปารัตถะเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติเห็นประโยชน์ในปัจจุบันและเห็นประโยชน์ในโลกหน้านะว่าประโยชน์ในปัจจุบันของการปกครองแผ่นดินโดยธรรมคืออะไร นะประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขอนาประชาราชนก็ไม่เดือดร้อนนะแว่นแคว้นก็มีแต่ความสุขและความเจริญนี่คือประโยชน์ในโลกนี้นะทุกคนก็มีความสุขโดยทุ่นหน้ากันขณะเดียวกันการปฏิบัติอันนี้เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็สร้างโรงทานอีก6กโรงคือสี่โรงที้สร้างที่ประตูเมืองสี่ทิษ ท่ามกลางเมืองอีกที่หนึ่งและก็ที่ประตูพระราชวังอีกที่หนึ่งพระองค์ได้ให้ทานแก่คนยาจกคนเดินทางเป็นต้นพระองค์รักษาศีลรักษาอุโบสถพระองค์นี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยขันติมีเมตตามีกรุณาเป็นผู้ที่ยินดีในสรรพสัตว์ดุดมารดาปิดายินดีในบุตรที่นั่งบนตักพระองค์นั้นครองราชสมบัติโดยธรรมมองเห็นอาณ า, าประชาราชทั้งหมดเนี่ยเหมือนเห็นลูก อนารักษอนาประชาราษเหมือนลูกที่อยู่บนตักของตัวเองขณะเดียวกันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความอดท น, นความอดทนนี่มีเป็นเยี่ยมจิตใจก็หวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความคิดว่าทำฉะไหนสัตว์ทั้งหลายจึงจะพ้นไปจากความทุกข์เนี่ยนะเป็นผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยเมตตาจริงๆทีนี้อํามาตะคนหนึ่งเนี่ยคิดขบฏภายในพระนครปรากฏเกิดขึ้นคือ เนื่องจากว่าพระราชาเป็นผู้ที่ทรงทรดำดํารงมั่นอยู่ในธรรมเป็นต้นเนี่ยนะก็ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมากนี่อามาตย์คนหนึ่งก็คิดไม่ดีคิดขบฏขึ้นอํามาตย์ก็กราบทูแลแด่พระราชาพระราชาก็ทรงคอยสังเกตจนรู้ด้วยพระองค์ก็ตรัสเรียกอํามาตย์นั้นมารับสั่งว่าไอ้คนอันตรพานเจ้านี่ยทำกรรมไม่สมควรเจ้าไม่สมควรจะอยู่ในแว่นแคว้นของเรา จงถือเอาทรัพย์ของเจ้าแล้วก็พาลูกเมียของเจ้าไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ขับไล่ให้พ้นจากแวนแคว้นออกไปเนี่ยนะจริงๆแล้วโทษที่ผิดเนี่ยสมควรแก่การประหารแต่ก็ไม่ประหารบอกไปเถอะไปตามทางของเจ้าเถอะอา ม, มาตนั้นก็ไปยังแควนโกศลเข้ารับราชการกับพระเจ้าโกศล น, นามว่าทัพเสนนะก็ทําความคุ้นเคยกับพระราชานั้นโดยลําดับนะก็เพราะเป็นอา ม, มาตย์ที่ประจบสอพลอยอยู่แล้วนั้นก็ไปอยู่ไม่นานก็เป็นที่โปรดปรานของพระราชา วันหนึ่งก็ทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์กรุงพารณสีเนี่ยเช่นกับรังพึ่งที่มีมตัวเขบอกว่าน้าพึ่งไม่มีตัวเหมือนกันเถอะดื่มได้เลยพระเจ้าค่ะพระราชาก็อ่อนแอพระองค์เนี่ยสามารถไปยึดราชสมบัตินั้นโดยง่ายทีเดียวพระราชาท้า p e นะก็ไม่เชื่อคําของอมาตนั้นเพราะพระเจ้ากรุงพารณสีนี่มีอนุภาพมากะนะก็ถือว่าเป็นพระราชาที่มีราชานุภาพยิ่งใหญ่มาก นี่บอกครั้งที่หนึ่งสองก็ไม่เชื่อครั้งที่สเอางี้ก็แล้วกันก็เลยส่งให้มนุษย์เนี่ยไปปล้นดูสิไปลองไปปล้นดูในเว้นแคว้นนี้ดูให้ไปฆ่าชาวบ้านในแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์ก็รับสั่งนะให้จับโจรเหล่านั้นจับโจรมาแล้วก็สอบถามถามเสร็จก็ปล่อยไม่ใช่ปล่อยธรรมดานะให้ซับให้โอ้เจ้าเดือดร้อนเนอไม่มีอยู่ไม่มีกินใช่ไหมเอาซับไปเนี่ยนะไม่ต้องมาปล้นมาขโมยมาโกงอย่างนี้อีกนะ ครั้งนั้นพระราชาท่าพระเสนะรู้ว่าพระองค์ประกอบด้วยธรรมอย่างยิ่งก็เลยคิดว่าเสร็จเราละนะก็เลยวางแผนจะยึดราชสมบัติในกรุงพารณาณสีก็ยกกองทัพเสร็จออกไปครั้งนั้นทหารของพระเจ้ากรุงพารณาณสีฟังข่าวว่าพระเจ้าโกศลยกกองทัพมาก็กราบทูลแก่พระราชาของตนว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าจะจับโบยพระราชานั้นนะตอนยังไม่ล่วงล้ำรัชศีมาของเรา คือปกตินี่ถ้ามีการสู้รบจริงๆยังไงทหารพาราสีต้องชนะอยู่แล้วเพราะกองทัพยิ่งใหญ่มากแต่พระโพธิสัตว์ก็ห้ามว่าท่านทั้งหลายการทําคนอื่นให้ลําบากเนี่ยเพราะอาศัยเราไม่มียังไงเราก็ไม่ทําให้ใครลําบากหรอกผู้ต้องการราชสมบัติจงยึดเอาราชสมบัติไปเถิดให้เลยมาเอาที่เอามาเอาไปพวกท่านไม่ต้องทําอะไรหรอกปล่อยเข้าไปเถอะ พระเจ้าโกศลก็เสด็จมาจนถึงทำกลางชนบททหารก็กราบทูลอีกเอาเลยนะพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ห้ามอีกพระเจ้าทัพเสนาก็ประทับยืนนอกพระนครก็ส่งสารเรียกว่าส่งจดหมายไปนะถึงพระเจ้าเอกกราชว่าจะมอบราชสมบัติให้หรือจะรบพระเจ้าเอกกราชก็ส่งสารต่อไปว่าเราไม่ต้องการรบมาเอาราชสมบัติไปเลยยกให้เลยเอาไปพวกทหารก็ทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์พวกข้าพระองค์จะไม่ให้พระเจ้าโกศลเข้าพระนครได้ จะช่วยกันโบยพระเจ้าโกศ น, นั้นให้ออกนอกพระนครแล้วก็จับมาถวายพระเจ้าค่ะพระราชาก็ห้ามเหมือนก่อนพระองค์ก็รับสั่งไม่ให้ปิดประตูพระนครเป็นพระราชาบอกว่าเปิดประตูเมืองให้ข้าศึกเข้ามาได้เลยประทับนั่งบนบัลลังก์บนพื้นใหญ่นั่งรอมาเอาเลยพระเจ้าท่าประเสรนะก็เสด็จเข้าพระนครด้วยกองทัพใหญ่ไม่เห็นข้าศึกต่อต้านแม้แต่คนเดียว ถ, ถึงใจจริงๆเนี่ยอยากจะรบใจจะขาดแต่พระราชาห้ามเอาไว้เนี่ยนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงคือก็เคารพพระราชาก็เคารพเนี่ยนะแหมข้าศึกทำไมเหยียดย้ำกันขนาดนี้นะทหารแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงกันก็ไม่มีใครกล้าต่อต้านเพราะว่าคําสั่งพระราชาห้ามต่อสู้โดยเด็ดขาดอย่างนะันเสร็จแล้วก็ยึดราชสมบัติให้เงื้ออยู่ในเงื้อมพระหัตพระเจ้าทัาพเพสนาะก็เสด็จขึ้นสู่พื้นใหญ่รับสั่งให้จับพระโพธิสัตว์ผู้ไม่มีความผิด เอาไปฝังในหลุมเหมือนกันหลังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าพระเจ้าท้าพระเศนยกกองทัพมาชิงเอาพระนครเราได้ทรงทําข้าราชการชาวนิคมพร้อมด้วยทหารชาวชนบทให้อยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ทั้งหมดแล้วก็ตรัสสั่งให้ฝังเราในหลุมฝังเข้าคอเลยนะว่าเมื่อพระเจ้าเอกราชเมื่อพระองค์ทรงสเสวยการมาคุณยอดเยี่ยมบริบูรณ์ประทับอยู่บัดนี้พระองค์ถูกฝังอยู่ในหลุมนรก มิได้ทรงสละวันณะและพระเดิมอันนะอตตกถาชาดกว่าพระเจ้าถ้าพรเศนะรับสั่งให้ใส่สาแรกแขวนเอาพระเศียนลงข้างล่างที่ประตูธรณีด้านทิศเหนือพระโพธิสัตว์นั้นก็เจริญเมตตาปรารบพระราชาโจรแล้วก็อยู่ด้วยเมตตานั้นตลอดนะเจริญเมตตาตลอดไม่แต่จิตคิดโกรธอะไรไม่แต่นิดเดียวพระองค์กระทำกระสินบริกรรมอย่างชานาพิญญาให้เกิดพระองค์ก็ผุดขึ้นจากทรายประทับนั่งขัตสมาธิบนอากาศ เรียกว่าหลุมฝังคออ่ะนะแล้วถูกฝังหยุดเหลือแต่คอเจริญเมตตาเสร็จแล้วก็เจริญเกษินบริกรรมทำฤทธิ์ให้เกิดนั่งหอโบนอากาศอยู่เลยเอ่ะนะเมตตาท่านมีขนาดนั้นอ่ะนะเธอบอกว่าเราเห็นพระเจ้าทัาพเสนนกับมูอมัดชิงราชสมบัติอันมั่งคั่งภายในพระนครของเราเราเนี่เห็นเขาเหมือนเห็นบุตรสุดที่รักฉะนั้นไม่ได้คิดโกรธแม้แต่นิดเดียวถ้าโกรธเนี่ยนะยังไงก็จเจริญฌานไม่ได้แต่ด้วยเมตตาที่มีอยู่อย่างนั้น บอกถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ใครจะไปทำได้นะแต่ถามว่าคนอย่างนี้ก็เรียกว่าคนอัศจรรย์ในโลกไม่ได้มีตลอดการอะไรหรอกเนี่ยนะอย่าเอาคนทั่วๆไปไปเปรียบกับท่านเลยว่างนั้นนะ อธิบายว่าเราเห็นพระราชาผู้เป็นศัตรูชิงเอาราชสมบัติอันมั่งคั่งด้วยนางกำนังทาสหญิงทาสชายบริวารและของใช้มีผ้าและเครื่องประดับเป็นต้นภายในพระนครของเราเนี่ยเราเห็นเขาเหมือนเห็นบุตรสุดที่รักของตนด้วยเมตตาใดผู้เสมอด้วยเมตตานั้นของเราไม่มีในสกลโลกในโลกทั้งหมดี่ไม่มีใครเหมือนท่านเพราะฉะนั้น ที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นบาเมตตาบารมีอย่างเดียวเป็นเมตตาปรมัตต์บารมีสุดยอดของเมตตาที่ได้เจริญมาทั้งหมดเนี่ยนะเห็นคนมาฆ่าตัวเองฝังตัวเองประทุษร้ายตัวเองเป็นต้นเนี่ยเห็นเหมือนกับเห็นลูกเนี่ยนะอันเวลาถูกเขาคำสั่งด่าก็เหมือนกับพ่อลูกตวาดพ่อแม่ในชะพ่อแม่ก็มาเด็กโกรธอะไรรอกอย่างนั้นนะเมื่อพระโพธิสัตว์แผ่เมตตาปรารบพระราชานั <plup. S 2> <Empress. S 1> ้นประทับนั่งคัสมาที่บนอากาศ พระเจ้าท้า p e r นะก็เกิดความ ร, ร้อนภายในภาวร ก, กายเนี่ยนะไปทํากับคนมีคุณธรรมจริงๆเขาบอกว่าผู้ใดประทุสร้ายต่อผู้ไม่ประทุสร้ายตนเนี่ยนะโทษอันหนึ่งก็คือเกิดขึ้นนะเดือดร้อนเลยนะไปทํากับคนมีคุณธรรมเข้าเนี่ยนะคือพระเจ้าท้า p e r นะจริงๆแล้วพื้นฐานก็คืออดีตชาติพระอนุน่ะนะปกติท่านก็พอรู้ดีรู้ชั่วอยู่บ้างเพราะฉะนั้นท่านก็เดือดร้อนมากเลยก็เลยส่งเสียงร้องว่าเราถูกไฟไหมเราถูกไฟไหมดีถ้าตายตกนรกเน่เลยนะีย กลิ้งเปลือกอยู่ปลายปาบนแผ่นดินก็ตรัสว่านี่อะไรกันราชบุตรก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ได้รับสั่งให้ฝังพระราชาผู้ทรงธรรมผู้ไม่มีความผิดเอาไว้ในหลุมเนี่ยบาปอันนี้มันให้ผลแล้วพระเจ้าค่ะก็ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านรีบไปเอาพระราชานั้นขึ้นเถิดราชบุตรไปเห็นพระราชาพระองค์นั้นประทับนั่งขัดสมาธิบนอากาศก็กลับมาทูลแก่พระเจ้าท้าปเส น, นะพระเจ้าท้าปเส น, นะรีบเสด็จไปถวายบังคมขอเข้ามาแล้วก็ตรัสว่า ขอเข้ามาบอกว่าขอพระองค์จงครองราชสมบัติของพระองค์เธออนนถวายคืนแล้วไม่เอาแล้วว่างั้นข้าพระองค์จับป้องกันโจรแด่พระองค์เดี๋ยวจะดูแลบ้านเมืองให้เรียบร้อยให้นะเดี๋ยวจะช่วยบริหารให้จะดูแลแล้วแต่แล้วก็สั่งลงอาญาแก่อามาตชั่วพระองค์ก็กลับไปแคว้นโกศลตามเดิมแม้พระโพธิสัตว์ก็มอบราชสมบัติให้แก่พวกอามาตก็บทเป็นฤาษียังมหาชนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรม มีศีลเป็นต้นสิ้นอายุไขก็ไปสู่พรหมโลกพระเจ้าท่าประเสรินในครั้งนั้นก็คือพระอนน์ในครั้งนี้นะมีนานะจึงเห็นเห็นทานนเหมือนลูกสุดที่รักเนี่ยเขาจะมาฆ่าก็เลยรักเหมือนลูกนะพระเจ้าเอกราชก็คือพระโลกกันนาทีนี้มาสรุปดูว่าพระเจ้าเอกราชนั้นพระองค์เนี่ยเจริญบารมีทั้งสิบประการแต่ว่าพิเศษคือเมตตาบารมีเนี่ยนะ ว่าทานบารมีก็คือพระองค์เนี่ยสละทรัพย์วัน ล, ละ0กแสนณโรงทานหกแห่งทุกๆวันนะทานของพระโพธิสัตว์นั้นและก็ด้วยทรงบริจาคราชสมบัติแก่ค่าศึกนะยกราชสมบัติทั้งหมดให้แก่ค่าสราชาค่าศึกเลยนะไม่ได้ลบแล้วเอาไปเลยเนี่ยนะให้ปกติก็ให้วัน ล, ละ00แสนอยู่แล้วกองทัพยกมาเอาราชสมบัติก็ยกราชสมบัติให้เข้าไปอีกอันนี้เป็นทานบารมีของพระองค์ เพราะว่ารัชบริจาคเนี่ยยังไงผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีรัชบริจาคคือสละราชสมบัติยกราชสมบัติให้แก่ยกราชสมบัติให้เป็นทานนะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีของพระองค์ก็การรักษาอุโบรักษาศีลหรักษาอุโบสถแล้วก็สัมรวมด้วยศีลอย่างไม่มีเศษเหลือก็คือ ของนักบวชหมายคือว่าปกติก็อยู่ในกุศลกรรมบทชสิบสมาทานศี่ห้าสมาทานอุโบสถในที่สุดก็รักษาศีลของนักบวชได้อย่างดีเยี่ยมต่อไปเนคขมะมบารมีก็พระองค์นี้ออกบวชนะสามารถที่จะออกบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุฌานปัญญาบารมีก็คือการไตร่ตรองถึงประโยชน์และไมิใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายเพราะความที่พระองค์รู้ประโยชน์ ของสัพพะสัตถ์ทั้งหลายพระองค์จึงให้ทานพระองค์จึ ง, ร, งรักษาศีลเจริญกรรเจริญคุณธรรมอย่างอื่นมีเมตตาต่อสัพพสัตถ์ทั้งหลายก็เนื่องจากพระองค์มีปัญญามีปัญญารู้ว่าถ้าให้ทานกับไม่ให้ทานต่างกันยังไงรักษาศีลกับไม่รักษาศีลต่างกันอย่างไรเจริญมีเมตากับไม่มีเมตตาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเป็นต้นเนี่ยพระองค์รู้ประโยชน์เหล่านี้เป็นอย่างดีด้วยปัญญาบารามี วิริยะบารมีของพระองค์ก็คือขมักขะม้นสะสมบุญมีการให้ทานเป็นต้นภาคเพียรที่จะให้ทานภาคเพียรที่จะรักษาศีลภาคเพียรที่จะเจริญเนคขมมะอบรมปัญญาขณะเดียวกันพระองค์ก็ภาคเพียรกำจัดอกุศ ล, ลวิตกที่มีอยู่ในใจเนี่ยนะภาคเพียกรกำจัดจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้ห่างออกไปขันติบารมีก็ด้วยการอดกลั้นความผิดของอมาตโหดและของพระเจ้าท่าพระเศส น, นะเนี่ยนะ อดทนได้เนี่ยถนะ้ปกติเนี่ยโอ้ยตัดคอแน่นอนเนี่ยนะท่านอดทนนะแต่ถ้าเป็นคนระดับล่างอ่ะจำต้องทนเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคนระดับล่างๆแล้วจำต้องทนอันนี้สูงสุดแล้วสั่งประหารก็ไม่มีใครไม่มีใครบน่นแม้แต่คําเดียววางั้นเถอะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ท่านก็อดกลัน้นความผิดเหล่านั้นได้อดทนได้นะขนาดทนได้ขนาดเขามาเหยียดย้ำเขาทั้งสารพัดที่จะทำเนี่ยนะก็ทนได้ แล้วคนที่ทนนี่เป็นคนอยู่ระดับสูงนะที่ทนไม่ใช่คนอยู่ระดับล่างๆที่จำทนอะไรไม่ใช่พระองค์มีสัจจะบารมีก็คือการไม่ผิดพลาดด้วยการให้ตามที่พระองค์ปฏิญญารับว่าจะให้ยกราชสมบัติให้พระองค์ก็ให้จริงๆนะมีเมตตาจะยกให้จริงๆพระองค์มีอธิษฐานบารมีก็คือสมาทานไม่หวั่นไหวต่อการให้ทานคือตั้งใจว่าจะให้ทานในี้ใจไม่หวั่นไหว สมาทานที่จะรักษาศีลใจก็ไม่หวั่นไหวอบรมคุณธรรมทําด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวอันนี้นี่เป็นอธิฐานบารมีของพระองค์ทําด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลจริงๆเมตตาบารมีด้วยการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่แก่แก่าศึกโดยส่วนเดียวทําทุกอย่างยังไงก็ได้ขอให้ศัตรูมีความสุขะนะเนี่ยคือท่านน่ะนี่คือท่า น, นทํนทำยังไงก็ได้ที่ทําให้ฆ่าศึกศัตรูนี่มีความสุข ก็คิดดูนะว่าพระองค์เนี่ยสั่งสมเมตามาอย่างนี้จึงไปโปรดโจรองคลุลมานให้บรรลุมรคผลได้ถ้าเป็นคนที่มีเมตตาระดับล่างๆจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะทําอย่างนั้นได้ทั้งทีไปนั่งให้เขาด่าอยู่ทั้งนั้นเสร็จแล้วก็สอนให้เขาบรรลุมรคผลไปไปให้เขาทะเลาะอยู่ทั้งคืนแล้วก็สอนให้เขาบรรลุมรคผลเป็นต้นพระองค์ยอมทุกอย่างเนี่ยนะที่จะโปรดที่จะสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอันนี้เป็นเมตตาที่พระองค์ได้ทรงสั่งสมมา ขณะเดียวกันเมตตาบารมีของพระองค์พระองค์ก็สามารถทําเมตตาฌานให้เกิดส่วนอุเบกขาบารมีของพระองค์คืออะไรคือพระองค์มีใจสม่ําเสมอในความผิดที่อัมมาตโหดร้ายและพระเจ้าทัาพเสนะกระทํำในอุปการะที่แสวงหาประโยชน์มีอัมมาตเป็นต้นของพระองค์ให้เกิดขึ้นคือพระองค์เนี่ยนะวางใจได้เสมอกันกับอัมมาตชั่วกับพระเจ้าทัาพเสนะที่ยกกองทัพมา และทำใจให้เสมอ ก, กันกับพวกข้าราชการในบ้านเมืองทั้งหมดฝ่ายข้าศึกที่ยกมากับฝ่ายที่อยู่ข้างในไม่มีความต่างกันเลยท่านเห็นว่าคนที่มาทำลายกับคนที่มีอุปการะไม่มีความต่างกันโดยใจของท่านนะท่านมีเมตตาเท่ากันท่านมีอ่มีใจเสมอกันนั้นเป็นอุเบกขาของพระองค์เนี่ยนะพระองค์วางเฉยในคราวที่มีความสุขในราชสมบัติเนี่ยนะและก็วางเฉยในความทุกข์ที่ สุกราชาค่าศึกฝังอยู่ในหลุมทั้งสุขทั้งทุกข์พระองค์ก็วางเฉยด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวเนี่นะอันนี้เป็นอุเบกขาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นจอมชนท่านจงบรรเทาความสุขด้วยความทุกข์หรือจงอดกั้นความทุกข์ด้วยความสุขสรรพบุรุษทั้งหลายย่อมวางเฉยในสุขและทุกข์ทั้งสองอย่างเพราะเกิดขึ้นแล้ว นะจิงๆแล้วพระองค์นี่มีบารมีทั้งสิบแต่ยกเมตตาบารมีขึ้นเป็นอุทาหรณ์เป็นหลักเป็นตัวอย่างอันนี้ก็กล่าวถึงพิเศษยกตัวอย่างพิเศษว่าพระองค์นี้มีใจอนุเคราะห์เสมอกันเป็นต้นในสรรพัพพสัตวของพระโพธิสัตว์นะมีเมตตาต่อสรรพัพพสัตว์ดุจบุตรที่เกิดในอกฉะนั้นด้วยประการฉนี้เนี่ยนะเมตตามากจริงๆเลยนะมันถ้าเป็นคนปกติสามัญทั่วๆไปก็ไม่มีใครสา ม, มารถที่จะ กระทำได้เช่นนี้ประพฤติได้เฮี้ยงนี้อยู่แล้ว